นะโมจะพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมจะพะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมจะพะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะจิตตมหาจิตตังปิยามมหาาราติ โอกาสนี้เราจะได้แสดงแห่งพัฒนธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสสงองค์ศสัทธาบรารมีทีท่านนิสราพานักบุีทันน้รราาทงหลายได้ตั้งใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรร ม, มที่ได้แสดงธรรมในเวลานี้ก็ราะเหตุว่า วันนี้เป็นวันปิยมหาราชการจึงก็ไม่ได้บอกการจึงการกำหนดเวลากับเธอทั้งหนมาในการก่อนว่าจะทำอะไรแต่พอดีเห็นจิตั้นเขาตั้งใจทำใบสีมาบงวงสรวงบูชาคุณของท่านก็เลยเอาอะไรดี พอที่จะส่งเคราะห์ให้มันเกิดประโยชน์ได้นะก็เลยเอาเวลาช่วงนี้แหละเรามาได้นเลียดละสมบุญถวายก็เทศถวายก็แล้วกันน ะ, ะถวายกันแล้วกันนั่นมันเปยะมหาราชตรงกับวันที่2ีสิบสามตุลาคมวันนี้ก็ตรงเป็นวันเสาร์ปีนิดหนึ่นวันเสาร์ ปี2547เวลาก็ประมาณ10ฬิกา30นาทีเสร็จเรีว่าติยะในภาวะทีรักมหาราชาอันาจจะทียรักยิ่งพระพรค์สมัยยังทรงพสะชนชิตอยู่ ต้องได้สละแล้วก็ใชะเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อยังประโยชน์ความสุขส่วนรวมถูกไหมการเสียสละเนี่ยเป็นสิ่งที่เสียสละได้ยากเสียสละทรัพย์คนเราอ ย, ย่งบอกว่ายากแต่การเสียสละความสุขเนี่ยมันยิ่งยากที่สุดนะความสุขเป็นใครๆครอยากต้องการอยากจะมีอยากจะได้ พยายามที่จะไขว่ฟ้าหาความสุขให้ตับตนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในว่าความสุขนั้นมันจะมาจากอะไรก็ตามมาจากการมีทรัพย์มาจากการอยู่กับบุคคลที่เป็นพิรักใช่ไหมเออจะอยู่ณดินแดนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษอะไรแต่ที่มนุษย์ทั้งหลายเป็นใจคือมันเป็นความสุขที่ไดอยู่กับบุคคลที่เป็นพิรัก ที่ไม่มีสักก็อยู่ได้ไม่มีกินก็ยังอยู่ได้เพมันเป็นความสุขที่เขาบอกว่าอยู่กับคนที่รักแล้วมีความสุขอย่างนั้นแต่การเฉลิฉะความสุขที่ตนเองจะต้องมีกับคนที่รักหรือยู่กับคนที่รักต้องมีความสุขต้องมาทนทุกขเวทนารัางกายและใจ ก็ยังประโยชน์ให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสมีความสุขเป็นเรื่องที่ยากที่สุดไม่ว่าพระองค์สมัยที่ทรงพระยังทรงพระชนทีอยู่ทรงก็ต้องเสียสลักตามพุพทธประวัตินะระราชประวัติของพระองค์ถ้าเธอได้เคยอ่านได้เคยนี้ยิงก็คงจะทราบกันมาบ้างแล้วส่วนชันทำไมฟรีอ่าน แล้วก็ไม่คอยได้ยินโดยตัวเงแค่ว่าจุดดวงหนึ่งที่ได้อุบัติมาเป็นมนุษย์ในความศาสนาที่จะทําให้ดินแดนนี้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์โดยได้พระศาสน า, ษาคืออุดมสมบูรณ์โดยความตกนั่นเองเพราะถ้าพระศาสน า, า, า, าตั้งมั่นในดินแดนนี้ แล้วคาสั่งสองพระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางสมบูรณ์บริรณ์อยู่ประชาชนคนไทยก็ย่ังจะมีโอกาสที่มีความสุขถ้าพระศาสนาสิ้นไปนเสร็จแล้วประชาชนที่เป็นเจรักคือคนไทยก็จะหาความสุขไม่ยากเรียกว่าไม่ได้ก็กล่าวได้เป็นปากเป็นคําว่าคงจะหาความสุขไม่ได้ แต่ในพระศาสนายังตั้งมันอยู่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ก็ยังมีอย่างเถึงนั้นว่าจะไม่ทั้งหมดแต่ก็ยังมีคนไม่น้อยโดยเฉพาะพระสองค์พระเจ้าที่มาประพฤติปฏิบัติก็ยังได้มีโอกาสได้มีความสุขจากการเจริญภาวนาความสุขจากการที่ท่านอยู่ในที่ที่มีความปิดวิเว้ เป็นกรานที่ทิจิตรคนเนี่ยร่มแรงร่วมใจกันก่อสร้างขึ้นมาให้พระสององค์พระเจ้าได้อยู่ร่วมกันแล้วก็เพืตอปิบัติรักษาพระธรรมวินัยรักษาคําสั่งสอนของพระองค์เอาไว้ใจดวงหนึ่งอะที่ได้อุบัติมาเป็นมนุษย์ได้มีความตั้งใจที่จะมาทําให้พระศาสนามีฝักมีความมั่นคงไม่ใช่ว่ามันมีนะคําพูดนี้มันไม่คนไม่ไ ด, ไได้ไม่ตั้งไม่ตั้งใจจะกล่าวทำไมคำว่า ท่านพระองค์ต้องทรงตั้งใจที่ใช้พระศาสนาเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในดินแดนนี้คําสั่งสอนข อ, ของพระพุทธเจ้าปรากฏให้สมบูรณ์บริบูรณ์และพระตัดต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็นอิสระจะได้มีโอกาสที่จะพึ่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่ายนั่นสมัยขององค์จะเป็นสมัยที่ประกาศตามเป็นไทยถูกไหมให้คนไทยเนี่ย มีความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขขันที่ขันน้องขันพ่อขันลูกปกครองถ้าบอกท่านก็ปกครองอย่างพ่อปกครองลูกถึงแ ม, ม่ละ่ะอท่านพรองจะไปไหนบางครั้งพระองค์ก็เปลี่ยนแปลไม่ได้แปลงตัวนะปลอมตัวนะอะไรอย่าก็ไปในสถ า, านที่ที่คนอื่นเขาไม่รู้จักกันไม่รู้จักพระองค์ท่านเ่อจะไปดูว่าประชาชนของพระองค์มีความเป็นอยู่กันเป็นอย่างไร ตกทุกกันยังไงบ้างนั้นในสมัยของพระองค์จึงมีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นเพื่อแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์ได้วยแดนพศาสนาไม่ใช่กระทําให้คนนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นแค่มีทรัพย์แต่ต้องปกป้องเสรือนแผ่นดินนี้ในการเสียสละดเริ่มต้นก็ต้องเสียสละอีกแดงเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้และในสมัยพระองค์ยังมีพระชนญาพระชนยาวอยู่ พระองค์ต้องต่อสู้กับสิ่งที่ลักพระองค์มากมายไม่ใช่พระองค์จะมีขึ้นก้าวเท้าเข้ามาเป็นพระราชาอย่างสบายอย่างตามพระราชประวัติเห็นไหมมันมีสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้เยอะแยะว่า yeah, yeah. พระองค์จะได้มาเป็นพระกิยะผู้เป็นเทียรักเป็นพระราชาที่เป็นที่รักของประชาชนทั้งหลายกว่าจะถึงวันนั้นตั้งแต่ได้อุบัติมาเป็นมนุษย์ ร่มเวลามาตั้งหลาย1ิบปีพรองต้องร ะ, ระเพชนกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากมายที่คอยบั่นทอนและทำลายความสุขของพระองค์อย่างมากเรื่องนี้ใครทราบไม่ทราบไม่รู้ฉันก็พูดไปตามนั้นแหละนะเออแต่ถ้าเรามานั่นมองดูว่าจิตดวงหนึ่งเนี่ยที่อยู่อย่างสบายนะแดนลมมาโลกและอุบัติมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วต้างเสียตลาดความตกของความเป็นพรหมตรงอยู่สบายนะพระพรหมนะอยู่สบายไม่ต้องลงกับมาเกิดก็ได้ถ้าท่านต้อ ง, งการจะกรลุกทำก็ฟังเทีพระพุทธเจ้าจเบเดียวทั้งคงเป็นพระอาหารหันตะ์แล้วมั้งอันเป็นของไม่ยากนะองต้อรงสร้างบารมีมามากคิดว่ามันจะเรื่องยากแล้วพระองค์ก็ไม่ใช่คนโง่ด้วยนะว่าผู้มีปัญญา ม, มาก ในเจตระเอียดยังจะเข้าถึงธรรมได้ไม่ยากเลย mm hmm. แต่พระองค์ก็ยังสละความสุขในส่วนที่องค์ยังต้องได้รับอย่างสบายใจและก็ต้องมาเจเจอกับสังขารร่างกายที่มีแต่เจ็บเพียรแทงทําลายความสุขอย่างมากนั่นก็คอหนึ่งคออู่สองนี้ต้องมาเจอกับอคติลกรรมที่องค์ได้กระทำไว้ ทำให่คนรับพระองค์ในสมัยก่อนนั้นก็เบียดเดียนพระองค์อย่างมากไม่ใช่ว่าทุกคนห้อมลอ้อมพระองค์อย่างมีความรักรความเมตตาพระองค์อย่างดีมันมีน้อยมากที่คิดประชดประลาพระองค์ก็ยังมีอยู่เยอะพยาจนจัดการแกล้งพระองค์ก็เยอะจิบจันพระองค์กย็ยอะถูกประสาพระองค์ตั้งแต่สมัยทรงเกิดเป็นยาววัยนั้นมีอยู่สูงมากทีเดียวจัดการเส้นแข็งเด็ดเดี่ยว ความแน่แม่ชีพองค์ตั้งใจจะอุบัติมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อจะยังให้พระศาสนาเนะนี่ยมีความสมบูรณ์ในด้านคําสั่งสอนของพระองค์ครบถ้วนยังให้แผ่นดินแผ่นเนี้ยอุดมสมบูรณ์ไปได้วยบุคคลที่พร้อมที่จะรับคําสองของพระผู้เจ้าและถ้าประชาช น, นของพระองค์ยากจนเขินใจถ้าประชาช น, นของพระองค์ยังเดือดร้อนอยู่คนไทยยังเดือดร้อนคนใจคนไทยยังยากจน คนไทยยังไม่สามารถขี่กันคนไทยยังไม่สามารถจะมีอะไรที่เป็นสุขกันบ้างเลยคนไทยยังตกเป็นทาส ข, ของศัตรูอย่างนี้เป็นต้นหรือต้องมาตกเป็นทาสกันเองเขาเหล่านั้นจะอิสระที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเสื่งแรกคือต้องตัดเรื่องความทุกคิดคนไทยทั้งไหนกําลังทุกข์กันอยู่หรือตัดเรื่องต้องตก ป้องคุ้มครองให้คนเหล่านั้นปลอดภัยจากอันตรายเมืเ่อเขาอยู่กันอย่าร่มเย็นเป็นสุขคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อประกาศออกไปคนเหล่านั้นก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันไม่ยากเห็นไหมนั่นสมัยใดก็ตามถ้าทำตามสังส่งสอนของพระพุทธเจ้าจะมีผลดีมากถ้าเป็นสมัยที่คนเนี่ยที่มาเกิดโดนสมบูรณ์พระปลากโกดมสมบูรณ์เนี่ยมันทาให้กษาตร คนเนี่ยมีปาจนายไอยากจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าคนเรามัยังมีทุกประเวนาทางกายอยูงสงมันยากนะนอกจากว่าคนที่ทตั้งใจที่จะลกจริงๆมันก็มีส่วนน้อยถึมไหมและคนส่วนน้อยไม่ไม่ไม่สามารถจะรักษาพระศาสนาไว้ได้หรอกมันก็องคนส่วนใหญ่คนทั้งทัพส่วนมากที่มีฟัม ยินดีในคำสั่งสอน ข, ของพระพุทธเจ้าจริงสามารถจัดประพักประคัดประคองคำสอนของพระพองค์มาอยู่ได้ถึงแม้นว่าถ้าเรายกตัวอย่างว่าเป็นสมัยที่มันแย่ที่สุดคนเกิดในสมัยที่พระศาสนากําลังร่วงโรยแล้วจะมีพระอริยะบุคคลตมีนมีจำนวนเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่เนาะจะมีสัตนรกมากก็ได้ซ้ำถูกไหมละ่ะ ได้เงินไหมถึงว่าพระศาสนาเริ่มเสื่อมโรมลงไปเสิ่มลงไปเสิ่มลงไปเพราะว่าคนมันไม่มีความสุขไม่มีวาจาดีตจากันไม่มีการเชื่อปรนซึ่งกันและกันไม่รักไม่สามัคคีเจาะกันถูกไหมในการที่จะหยุดยื่นในสิ่งดีๆให้ตจากันคนหนึ่งต้องการจะให้แต่อีกคนหนึ่งไม่ต้องการจะรับมันไม่เหมือนกับยุคสมัยที่ทุกคนมีตามไม่ตาซึ่งกันและกัน คนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งก็ยินดีที่จะรับมันทําให้พร้อมไปทั้งผู้ให้และก็ผู้รับงั้นถ้าผู้ให้จากษณะให้ในทางธรรมผู้รับก็ยินดีที่จะรับในทางธรรมถึงไหมล่ะในที่ท่านเรามองอย่างผู้ที่ตั้งใจคือเดาเอานะไม่สามารถจะไปอย่างได้ครบเครืงสมบูรณ์หรอกนะเพราะไม่ได้อ่านมาแล้วก็ไม่ได้ฟังใครเข้ามา ก็พูดไปตามอยากพูดันะว่าใจของพระองค์คงตั้งใจอย่างเนี้ยตั้งใจที่จะมาให้เคลื่อนแผ่นดินคือแผ่นดินแผ่นเนี้ยประเทศไทยเนี้ยเป็นดินแดนที่มีตามมั่นคงในภาษาศาสนาที่สามารถจะรักษาพระธรรมคำสั่งสองพระองค์เสด็จพระสัตรานให้ครบถึงห้าพันปีได้แต่ถ้าพระองค์รงลงมาแล้วเนี่ยคนลาเหล่าเนี้ย มันไม่มีประโยชน์ที่จะมาส่งข้อเลยเพระองค์ก็ไม่หลงแน่แต่พระองค์ต้องเห็นประโยชน์และ ว, ว่าถ้าพระองค์ลงมาเกิดคราวนี้จะสามารถยังให้แผ่นดินไทยเนี่ยยังเป็นยังคงเป็นไทยไม่ตกเป็นทาสของใครก็ถ้าประเทศเราตกเป็นทาสของประเทศอื่นเขาก็ศาสนาเขาก็ทํำลายถูกไหมอยากของประเทศข้างๆบ้านเราก็ถูกทำลายเพระศาสนา ไปอันน้าก็ยิดตั๊บเก็ทำลายนะจังหวะพระองค์ก็มีทั้งฝลั่งเศสมีอังกฤษมีอะไรท่างหลายประเทศเห็นไหมถ้าเขาเข้าได้ปั๊บก็ต้องคิดในขอแน่นอนอยู่แล้วเนื่นพระองค์ก็ต้องเสียสลักสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติหรือสิ่งที่เป็น ส, บ ส, บสมบัติของประเทศชาติออกไปเนื่อยอมตัดแขนนะให้ถผือ่อผ่นดินเสียบานหล้าให้ต่อไปอ่าโนนให้เข้าไป เพื่อประเทศไทยจะได้อยู่อย่างอิสระเพราะประเทศอยู่อย่างอิสระแล้วคนไทยได้วยกันก็ต้องอยู่อย่างอิสระไม่ใช่เป็นทาสกันพระองค์ก็ท ร, รงประกาศเลิกทาสประกาศเลิกทาสและพระองค์ก็ยังกระทําทุกอย่างเพื่อจะเอาความเจริญในอาณยจักประเทศทั้งหลายที่เขามีความเจริญดีแล้วเอามาให้คนไทยเจริญขึ้นส่งเสริมให้มีการเจริญทุกๆบ้าน ทังานการปกครองาการตการปกป้องประเทศการการศึกษาทุกอย่างใช่ไหมจะเราเคยอ่านและเคยได้ยินได้ฟังในพระราชประวัติจะเห็นว่าทุกอย่างทั้งหมดที่ฉันพูดเนี่ยมันคือรวมความมาอย่างเดียวคือต้องมีความาพระราชประสงค์ต้องการให้ผืนแผ่นดินผืนเนี่ยเป็นที่รองรับพระศาสนาคนที่จะรองรับพรศาสนาได้ก็จะเป็นคนที่มีความสุข แล้วก็จะเป็นคนที่ไม่เป็นทาสใครสามารถเจริญธรรมใจของตนได้อย่างสบายถูกไหมนั่นถ้าคนเป็นทาสเขาเอาแค่ง่ายๆน่ะถ้าเราเป็นทาสรับใช้คนในครอบในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งยุคสมัยที่ยังมีทาสอยู่เขาจะมีอิสระไปวัดได้ไหมไม่มีอิสระนายไปวัดที่ขา้าเป่าปานที่ข้าต้องทําไอ้นั่นที่ข่าต้องทำไอ้นี้ทำไอ้นู่น เขาไม่มีโอกาสจะไปเอาข้าวสักนิดนึงน้ำสักหน่อยกับสักหน่อยเอาไปถวยายะที่วัดทำบุญหรือแม้กระทาั่งจะมีโอกาสไปตั้งใจฟังเทศธรรมฟังธรรมก็ยังยากไม่มีโอกาสสละตัวเองไปบวชยังยาก่าผู้ชายก็มีเอกาสได้บวชได้เรียนพระธรรมคำสั่งสอนของพระ อ, องค์นั้นทุกคนตระหนักไดถ้ายังไม่ไปผิสระทธาทางใจ ไม่สามารถที่จะรับพระธรรมคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใดเลยมันยากสุกตองไหมนันสิ่งที่พระองค์ทรงได้อบัติมาเป็นมนุษย์ได้มาเป็นรัชกาลที่หา้าทรงมีพระนาม ว, ว่าพระเดชพระเจ้าอยู่หัวนะพระจลจอม迦เจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่สลักความสุขส่วนพระองค์อย่างมาก ตลาดชีวิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นความสุขไหมสักนิดหนึ่งยากแทนเชื่อว่ายากถึงพระองค์จะได้เป็นสัตว์ mm hmm. ก็ความสุขของความเป็นสัตว์ mm hmm. ก็ไม่ช่วยมีกับพระองค์ถึง mm hmm. พระองค์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเพมเห็สีมาก mm hmm. ก็ไม่ได้ชื่อว่าพระองค์จะมีความสุขประการมีมาเห็สีมากจะไหม สิงจะได้ชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีบุตญชิดามากพระราชโอรสนะบุาชิดามากก็ไม่ได้เชื่อว่าพระองค์มีความสุขความสุขของพระองค์ก็ไมีหยุดเพียงอย่างเดียวว่าเห็นประชาชนของพระองค์หรือที่สัตว์ประสทั้งหลายที่พระองค์ทรงมีความประสงค์ที่ปาตตนาให้พระศาสนาเนีตั้งมั่นยืนยันบนดลุดดแดนเนี้ยและพระองค์ก็ทําได้สําเร็จ คือจะทําให้กเกิดความอิสระมาเห็นปราสจนเขาพระองค์ได้เป็นอิสระจากการไม่ถูกมหาอํนานาจทั้งหลายมายึดถือเอาเป็นสมบัติของเขาเป็นตามสุขอย่างยิ่งนี่คือพระองค์มีความสุขสุขที่องค์งได้ให้ไม่ได้มีความสุขจากที่องค์ทรงเป็นกษัตริย์นะสุขที่องค์ได้เสียสละแล้วก็มาให้และก็มีความสุขที่ได้ทําให้ประชาชนคนไทย นั่นเป็นอิสระไม่ต้องตกเป็นาทาสใครและการเลิกทาสเป็นเรื่องยากต่างประเทศเนี่ยเลิกกันเนี่เป็นเก่งข้าพันนะไม่ใช่ว่าเลิกกันง่ายๆในการเลิกข้าใครไปยอมนะต่างคนต่างนี้ที่ผิดมานะัดต่างคนถือตัวอยู่ตนต้อเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของต่างคนต่างต้องเสียสละทรัพย์ของตนนะเพราะทุกคนได้มาก็คือการจะนี้นสิ่ง ที่ต้องเป็นท่าก็เพราะว่าเหมือนเอามาจำนองจำนำเอาลูกมาจำนองเอาลูกมาจำนำเอาทรัพย์มาจำนงไม่มีปุก็จะเอาตัวมาขายเป็นคาารับใช้เหมือนอย่างนั้นเนี่ยเน้นเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าได้อุบัตินะเป็นพระโพธิสัตว์สมัยหนึ่งต้อง ก, ก็ขายพระ อ, องค์เป็นทาสเขาภรรยาก็ขายไปยบ้านหนึ่งต้อง ก, ก็มาอยู่เป็นทาสที่บ้าน สองสามีประยาสมัยนั้นก็เป็นท่าเพื่อจะเอาเอาเงินที่ยืมเข้ามาหรือขอยืมเข้ามาเนี่ยไปช่วยชาวบ้านไม่ไม่มีก็เอาพระองค์นเป็นท่ารับใช้เขาเห็นไหมแล้วคนที่จะกดดันว่าเอาพระองค์ไปช่วยไม่จะมาเป็นท่ารับใช้หรอกคนมันจะยอมได้ไง่ายๆนี่เพราะว่าเขาสูญเสียผลประโยชน์ที่เขาเคยได้ถ้าเขาเสียทรัพย์ไปแล้วก็ต้องได้มาสิไหม อนั่นสมัยที่มีธาตุมามาก็เพราะว่าคนเป็นเจตีก็มีทรัพย์เพราะเขมีทรัพย์เขาก็ไปเบียดเบียนคนยากคนจนได้ไม่ยากคนยากคนจนก็ต้องการมีทรัพย์ก็จะมาขอเจตีมาขอเจตีเจตีจะให้ง่ายๆและเป็นอันไม่ยากเขาก็ต้องมีกันสัญญอมสัญญากันได้ได้เองเอาไปได้นะเองต้องเอานาไหมค่ะเองเอาไปได้เองต้องเอารูปไหมค่ะ่างเนี้ย ถ้าเองทำไม่ได้ณเวลานี้ถึงเวลานั้นเองเออกคืนมาไม่ได้เองต้องมาเป็นศีา้ารับใช้ค่ะเองเมืม่อมาเอก็ตายสมัยก่อนมันมันไม่มีกฎอะไรมากอวปากความตายที่จะหยุดยืนให้กัน ไ, ได้ง่ายรวมตามแล้วเข้าใจไหมอ่านนื่องิ่งที่พระองค์ทรงได้อุบัติมาเพื่อใจยังศาสนาไม่เ่ียแค่ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะวางเอาไว้ถ้าครัวรักเนี่ยมันไม่พร้อมมันมีประโยชน์ไหมละ่ะไม่มีประโยชน์มันต้องพร้อมด้วยกันคำสั่งสอนของพระองค์ก็บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องนั้นพระองค์ก็มีสังคารนาถพระติจดสมัยนะั้นเนี่ยกเป็นฉบับสยามรักเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีพระติจกมาแต่จะไม่มีคําไหน พาดมีพลาดอยู่คำเดียวที่ไม่เหมือนแต่ไม่ได้ว่าคำนั้นไม่ได้แปลความหมายผิดเพี้ยนแต่เพียงว่าเขียนคํามันไม่เหมือนกันแค่คําเดียวนอกนั้นเหมือนกันหมดแต่ความหมายไม่ได้ผิดนะแต่เพียงภาษาฝรีอของภาษาไทยจะเขียนผิดคําคําเดียวนั้นสมัยพระองค์จึงทรงประกาศภาษาศาสนาทําให้สาววนวัตถุนิพพานศาสนาเกิดขึ้นมากทําให้ ถ้าไปประโยคนั้นมีการลดรวมขึ้นมามีการสังขยาาในสมัยพระองค์เห็นไม่ว่ า, พ ร, าพระพุทธองค์พระองค์เองเนี่ยได้อุปบัติมาจะทํำพร้อมๆกันทั้งสองด้านด้านหนึ่งคือแผ่นดินไทยก็ให้ตั้งมันอยู่พระรองรับพระศาสนาด้านที่สองคือให้คนไทยเป็นอิสระไม่จบเป็นชาติของต่างชาติแล้วก็ไม่จบเป็นชาติของการเองได้านนสาคือบำรงให้คนไทยเนะี่ยมีความสุขสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ดีขึ้น หน้าที่สีส่คือเป็นการรวบรวงคําสั่งสอนของพระองค์เอาไวใ้ให้ไม่ขัดต่อขบข้องในการสังคายนาพระใจกิเลสการเสียสละความตกที่พระองค์ทรงเป็นขงมนั้นลงมาเป็นอย่างนี้ถ้าคนธรรมดาเป็นอย่างเราเราท่านๆถ้าอยู่บนนั้นแล้วไม่ต้องมาเสียสละเพื่อใครจะลงมาเกิดทำเกรียอะไร เขาเรกว่าเกิดมาทุกข์แล้วเราไม่ได้อะไรจะมาทมําไมจริงไหมมันกะต้องแปลว่าเราต้องเสียสละความสุขที่เราควรได้แล้วไม่ได้เสียสละเป็นงแค่ตอนอยู่บนลมแล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ต้องมาเสียสละความเป็นมนุษย์ด้วยนะเพราะมนุษย์มันมีแก่ความทุกข์มนุษย์มีแต่การงานมนุษย์มีแต่ความวุ่นวายมนุษย์มีแก่สิ่งที่เป็นกรรม ให้ผลตลอดมนุษย์สมานะเราต้องมาแบกขันห้าที่มีแต่ของเน่าเปื่อยผุพังสกปรกตจวโคอย่างนี้เรคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ใครใครอยากจะก้าวเท้าก็มาอาศัยถ้าก็ควอหยุ่บนนั้นแล้วคือมีความสุขดีแล้วจะลงมาทำไมถูกไหมนึงบอกสิ่งที่สละยากคือตละความสุขส่วนตัวเพื่อให้เกิดความสุขกับคนอื่นเป็นของที่ตละได้ยาก ตละ ด, ดก็คือการสลาดความสุขส่วนตัวเหมือนกันแต่คนมันมีมากเขาสุกเฉยใช่ไหมแต่คนมีมีน้อยเนยถ้าจะแบบไม่อยู่ชิ้นเดียวเนี่ยจะต้องสลาดชิ้นนั้นเอาไปเพื่อคนอื่นให้คนอื่นเขามีความสุขเป็นการสละยากไหมมันเป็นการสลาดยากนั่นว่ายากแล้วนะยังแค่เศษเสี้ยวสุลีของการเสียสละความสุขทั้งหลายอันที่ท่านไ ด, ดนน้ความสุขจากการเจริญภาวนาความสุขจากความสงบ ความสุขจากการมีคูรัที่อยู่อย่างมีความสุขด้วยกันและกันก็เสียสละสิ่งนี้ทั้งหมดฉะนั้นวเวลามากัดมาพิจารณาให้ควรจะดีแล้วก็จะเห็นว่ า, าการเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเล่นยากม า, ากแต่คนที่มีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์ก็จะไปโชคดีไหมก็จะไปโชคดีได้มาเป็นมนุษย์แล้ยังมีโอกาสโชคดีว่าเกิดขันพระศาสนาโชคดีไหม ท่านพระศาสนาและยังมีโอกาสที่อยู่อย่างมรอมเงย็นเป็นสุขโชคดีไหมก็จะไ ด, ด้โชคดีถึงความเป็นมนุษย์เราจะมีการเจ็บป่วยแท่ไม่สบายมากนี้ิปลาเป็นกรรมที่ให้ผลบ้างกระตามถิดแต่เราก็ยังมีโอกาสได้ฟังธรรมยังมีโอกาสได้สัมผัสคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังมีโอกาสที่จะปฏิบัติตัวเองได้ถ้าเราจนมากมาก แล้วออยู่ในดินแดนที่คุณรักกันดแดนเราไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้พบพระฉันไปเห็นมาแล้เยอะแยะในต่างจังหวัดไม่ต่างต่างจังหวัดในกรุงเทพก็ยังเห็นที่เ็าอยู่ในที่ที่มันลำบากลำบนมันก็มีถูกไหมาเจ้ากินข้่มจะมีเวลาหรือเงินเขาก็ไม่ค่อยจะพอกินพอใช้ไหนจะหนี้สินต้องยืมเข้ามา ไหนจะอาชีพก็เลี้ยงตในความยากลา บ, บากหาก็ยากไหนจะภาระลูกเมียอีกละ่ะมันน้อยที่ไหนจร่งๆต่างเหล่านั้นมันบีบคั้นจิตใจเขาสูงที่เ้าจะมีโอกาสมานั่งทํำสมาธิมีโอกาสมาเจริญภาวนามีโอกาสจะมาฟังเทศน์พระมาทําบุญให้ทานอย่างที่เกาเคเป็นกันเนี่ยอย่าได้หวังเลยอย่านี้หวังขนาะดคนใกล้ๆอาสรมที่กันอยู่ กระต้อปหลังโน่นทางเข้านะแค่นั้นเน่ยยังมีโอกาสน้อยมากถ้าคนไม่หยุดยืนโอกาสให้กับเขาเราไม่มีทางหรอกนะที่จริงเราอาสจะได้เข้าวัดเข้าวาบ้างเนี่ยในกรารปฏิบัติแล้วก็ต้องถือเอาความจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาว่าเราทุกคนในโซนเรีแล้วแต่เราจะอยู่ด้วยความประมาทก็ถือว่าโง่เกินไปนะถึงไหม เออพเพราะพระเจ้าหลวงนเนี่ยในจีรักริที่ห้าพระองค์ตั้งอยู่ในความไม่ประมัดในชีวิตถึงพระองค์จะเป็นผู้ที่มีอาชิรคะยะอรมียฐาฐากชาบดาศสูงสุดแล้วในแผ่นดินนี้ใช่ไหมเป็นที่รักของทั้งคนในประเทศและนอกประเทศอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไร กิริยา p ัดของพระองค์นะี่ยมีแต่สิ่งที่แสดงความเมตตาคือการให้อยู่เสมอมีปยวาจามีวาจาอันเรไม่เคยถือเนื้อเ่อตัวพระองค์เลยที่เป็นกษัตริย์ใดที่องค์วยเหลือได้พระองค์วยันธีเมื่อจะยากลำบากเพียงใดถ้าพระองค์รู้ชเสมอนั้นจงเป็นพรงสุเป็นนักระนะอ่า เป็นนักลักตัวยมก็ได้นะว่าเป็นผู้จะให้ความรักต่อหมู่คนทั้งไหนไม่ได้คิดว่าแบ่งชั้นบนนรรณตะไครมาได้ถืพระองค์ทรงเป็นอะไรดีปากไค์เขาแต่ความรักของพระองค์ยังเผืออแผ่อย่างก้างขวางที่ใครจะเข้าไปถึงใจพระองค์นะัะมันยากที่จะอย่างรู้ว่าพระองค์คิดอะไรแต่เพียงแค่เราได้ตั้งใจพิจารณาดูนะ เีกว่าเดาดีกว่านะถูกไม่ถูกก็ยังไม่รู้เลยก็เดาเอ า, เ, อาเดาเอาว่าโคองตั้งใจอย่างนี้แหละในการได้อุบัติมาเป็นมนุษย์ในชาติที่ตงรงบำเพ็ญบารมีได้เป็นพระพุทธเจ้ า, าหลวงนะนั่นแหละเดาเอามันควรจะเสร็จเ่ชุลีแล้วมั้งถูกไม่ถูกก็ไม่ทราบนะเพะว่าไปสารเนี้ย ขอให้เจอทุกคนต้องตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันจิยะมหาราชวันนห่งความรักนะวันที่พระมหาราชาอเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้เปลี่ยนเรื่ามรักอันหาประมาณไม่ได้ต่อทุกๆคนไม่ถือเอาว่าใครเป็นใครไม่ถือว่าบุคคลผู้นั้นจะมาเป็นบิดาเป็นพระราชบิดาเป็นพระราชมันดา เป็นเสรืญาติของพระองค์จะเป็นโหรคนที่ไหนแมน้คนลฤกษีไรชาญในคว า, า, ามรักขององค์นั้นไม่มีประมาณในสิ่งที่องค์ทรงรักทุกๆคนถ้าพระองค์ไม่รักอย่างนี้พระองค์จะไม่มาเสียสลักขณะดนี้หรอกถูกไหมเสียสละมาอยู่ในภาวะของผู้ที่เป็นผู้นํามารักษาแผ่นดินผืนนี้เอาไว้ยอมที่จะต้องฝุกคนอื่นค่มเห็นตั้งแต่ยาอาไว้ ยอมที่จะต้องถูกคนอื่นเขาเบียดเบียนโดยตลอดในความสุขสุโองค์จะพึงมีพึงได้ยอมทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครจะคิดเข้าใจหรือไม่เข้าใจพระ อ, องค์อย่างไรก็ตามเลยอมที่จะให้ความสุขกับคนมากมายเพื่ออยากให้เขาได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัตทิทำความดีในการที่จงยอมสิ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยน้าพ้าทครอย่างเนี้ย ถ้าเราไม่ถึงใจพระองค์เลยนี่ยก็ถือว่าเราอยากมากจริงไหมเราจะไม่รู้ตึ้งถึงความดีที่องค์ทรงมีแม้สักนิดหนึ่งมันก็เกินไปใช่ไหมเราก็เลยจะคิดถึงว่าสิ่งที่รองค์ทรงได้กระทำคือปฏิปทาปฏิบัติหาเรารักพระองค์เราก็ต้องปฏิบัติตามพระองค์ปฏิบัถูกต้อง เขรือว่าน้ําใจพระองค์มีอย่างไรแล้วก็ทําน้ําใจของเราให้เสมอเหมือนถึงจะไม่เท่ากใกล้เคียงถูกไหม อ, อย่างที่หลวงพ่อที่เคยพูดว่าลูกๆมีน้ําใจเหมือนอย่างท่านอเสมอเหมือนน้าใจของท่านคําำนี้ไม่ใช่คําศักดิ์สิทธิ์คำว่าน้ําใจเที่ท่านได้มีต่อเป็นสาธารณะต่อพระาศาสนา ต่อบคุคคลทั้งหลายเป็นน้าใจที่มดงามที่ท่านได้มีแล้วท่านลูกของท่านได้ปกครองที่ศรัทธาท่านจริงในน้ําใจอย่างท่านขิ้นชื่ว่าท่านจะมีความสุขไหมท่านต้องมีความสุขเพราะได้กระทำขึ้นเดือดขัดที่พระองค์ได้กระทำํำหากว่าเราเป็นผู้เสียรักในความดีหรือคุณธรรมความดีที่เราจะรัมเสริมกันอยู่อย่างนี้เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามเสียสละความสุขส่วนตัว ไปอย่างประโยชน์สุรลมิแม้เราจะต้องสูบดิบคั้นจิตใจมากเพียงใดีมิแม้เราจะต้องบิบคั้นทางร่างกายแค่ไหนถูกบดิบคั้นดังรอบข้างเพียงใดก็ตามแล้วก็ต้องยังให้ใจของเราตั้งอยู่ในความปรารถนาที่จะช่วยให้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีผลให้คนได้ประพฤติปฏิบัติยังให้ทุกคนนั้นได้ปลอดภัยจากอันตรายยังให้ทุกคนนั้นมีความสุขในฐานะ ที่เขาได้อยู่ความเป็นมนุษย์ครัพย์สมบัติที่เจอได้สละ ก, กันมามันจึงมีคุณค่ามากมายมห า, า, าศาลบาสตังที่เจออะไรนั้นเอามาสวายหว้ที่ร่วมกันทำไม่ใช่เราชั้นทำคนเดียวทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ใกล้กระทั่งแค่เพียงแค่ชี้แนะบอกทเฉยๆว่าทําอย่างนี้กันไหมทําอย่างนั้นกันไหอไปทําที่นั่นกันดีไหมอย่างนี้เป็นต้นเพื่ออะไร ก็เพื่อให้ที่นั่นน่ะเป็นที่ตั้งอย่างเช่นวัดวาอารามบางที่ไม่สมบูรณ์ก็จะทําให้พระสงฆ์องค์ระเจ้าที่จะเข้ามาโบสถ์ในพระศาสนาไม่ได้เป็นที่คําสั่งสอนพระองค์เสด็จพระสัาามมาสัมพุทธเจ้าแทนที่จะได้รับประโยชน์เต็มๆมันก็ได้ประโยชน์น้อยถึยงมแม้ล่ะถ้าโบสถ์ไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นที่ที่ยังให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้มาประชุมเป็น สังคจกรรมจะทําเป็นการประกาศก็ทำคำตั้งสอนของพระเจ้าคือพระธรรมวินัยเห็นไหมดั้งพระสงฆ์เหล่านั้นถ้าไม่มีโอกาสได้ได้ดํารงอยู่ในพระธรรมพระวินัยพระสงฆ์เหล่านั้นก็ต้องแตกแยกกันไปเมื่อคำตั้งสอนนั้นไม่สามารถจะรวบลวมกันได้นับวันมันก็ต้องเสื่อมไปทุกทีทุกทีจริงไหม แม้สิ่งที่ทรัพย์สินทรัพสมบัติที่เสื่อมกันเอามาถวายนี่มันก็เป็นการช่วยกันพนุพรมลุงในภษาศาสนาจะเป็นเหมือนภายนอกก็เหมือนที่พระองค์ทรงรักษาผืนแผ่นดินเอาไว้เราไม่มีภาระหน้าที่ที่ต้องทําขนาดนั้นเพราะสมัยนี้มันเป็นยุคสมัยที่ทุกอย่างมันเพียงพอไม่ต้องสลับที่จะต้องเป็นผู้ปกมาเป็นปกครองประเทศ ไม่องหลับลับมาเป็นทหารช่วยกัามารักษาสวนแผ่นดินเรามาจะเป็นทหารของพระพุทธเจ้ากองทัพธรรมเรามาช่ยให้สิ่งที่เป็นคําสอนของพระองค์นั้นยังประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เช่งกันและกันเป็นชาติสุดท้ายนะ้นทรั์ต่ บ, ตบาทของเรามันจะมีค่าอย่ามอว่าน้อยมันไม่น้อยเลยนะสิ่งสองสิ่งอย่าคิดว่ามันน้อยนะมันมากนะ ถ้าเราเสียส ล, ลักเราจัดว่ามากแต่เราไม่ได้เสียส ล, ลักเราตัดแต่ว่าทำไปอย่างนั้นมันไม่ได้มากหมายอะไรเหมือนคนมีตั๊กมากบาตรนั่นมันไม่มีค่าถูไห ม, มถ้ามันมากกวที่เขามีมันมีค่าถ้ามันน้อยกวาที่เขามีแล้วมันไม่มีค่าอะไรแต่ถ้าเราทุกคนคิดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ย สิ่งเราจะมีมากบาทหนึ่งมันก็มีค่าถูกไหมที่เรจะไม่มีอะไรเลยกําลังกายกําลังวาจากําลังการปฏิบัติปีปฏิบัติชอบของเรามันก็มีค่าไหมมีค่าเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราได้กระทํำเราได้เสียสละที่เปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราคนเดียวแต่มันหมายถึงคนรอบตัวเราก็จะได้ประโยชน์ในสิ่งที่เราปฏิบัติปีปฏิบัติชอบ แล้วจะอย่างง่ายๆเลยแล้วอยู่ร่วมกันอย่างนี้ถ้าเราไม่สแสดงกริยาท่าทางในสิ่งที่ทําให้คนอื่นไม่สบายใจมันก็ทําให้คนอื่นไม่สบายไปด้วยแต่ถ้าใครสักคนสแสดงกริยาสรางความไม่สบายใจอีกใจให้คนอื่นคนอื่นก็คอยติดสัตใจก็เด็นทำลายความสุขของเขาทําให้เขาจะฟังธรรมให้เขาจะนั่งทาสมาธิแต่มันเขาจะปฏิบัติธรรมกรรมฐานมันทําไม่ได้ดีนี่ทําลายไหม เราก็ได้ทำลายความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระปาริาายงสงฆ์แล้วเหมือนกันในการสํารวมกายวาจาใจในการประพฤติปฏิบัติชอบก็ถือว่าเป็นการเสียสลักที่จะยังให้กฏสิ่งเป็นศพเหมือนกันในเวาลาเสียสลักทางซัเสียสลักที่จะกดพลกดกลั้นในิกรยาวาจาในการกระทำข่มใจของเราและก็สํารวมผิดเพื่อจะให้ คำสั่งของพระองค์พระเิชพระธรรมมาสาวิทย์เนี่ยมาครองใจเราไว้ยังให้ใจของเราเนี่ยปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นโทษจากตนและก็เป็นโทษกับคนอื่นทีนี้มันสมควรไหมล่ะาาก็จับว่าสมควรแนะ่พราะพระเจ้าหลวงพระองค์ก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันต้องมีปิยะวาจามีมีสิ่งที่ทําให้บุคคลทั้งใจความพระองค์และชุ่มชิ่นใจสบายใจพระองค์ไม่เคแสดงกริยาใดๆที่ทําให้ใคร ต้องมีมีความรู้สึกว่าเป็นโทษเลยที่เจตนาไม่มีขึ้นเชื่อว่าเจตนาจากนิดหนึ่งในการพูดจะดีกระทำก็ดีถ้าแต่อุบัติมาเป็นมนุษย์จนถึงวันที่สงสวรรค์ไม่มีเลยไม่มีเลยจะน้ำจิตน้ำใจที่ปรารถนาให้ทุกคนนั้นมีความสุขนั้นมีมีมล้นหัวใจของพระ อ, องค์แน่นอนเห็นไหม แต่ถ้าตรงประการคำสิ่งใดแล้วคนอื่นไม่ทอบใจนั่นเป็นเรื่องของเขาถูกต้องไหมถ้าตรไม่มีเจตนาและคนอื่นเดือดร้อนนั่นก็นเป็นเรื่องกรรมของเขาโอไม่มีเจตนาที่จะกระทำให้ใครเดือดร้อนถ้าตรมีเจตนาทำให้คนอื่นเดือดร้อนโอไม่มาเกิดเป็นอย่างนี้หรอมีแต่ยัช่วยคนอื่นและมีความสุขอย่างเดียวสุขทั้งได้รับกระแสธรรมเทศนา สุในการที่สามารถจับเดินทางปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าค้นจากรวาบทุกข์ไปนิพพานนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ความสุขอัน ญ, ญาดเยี่ยมคือนิพพานเป็นสมบัติของประชาชนข้าพระองค์กระสาบสุขตั้งแต่ต้นจนถึงข้ า, ามกลา ง, ง, างา ร, ร่องปลายในควาบสุขนั้นเล็กน้อยกว่าความมีชีวิตอยู่อย่างอิสระก็จะเป็นท่าของใครก็ดี มีเหลือน้ําใจของพระองค์ท่านหนึ่งจะทิศเดียดเดียนไขสักนิดหนึ่งจะมีเปนจะเป็นไปได้อย่างไรถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้นในควารเป็นใจของพระองค์ย่อมไม่มีสันนิษฐานที่จะมีเจต น, นาไปทุจสลายใครทั้งกายวาจาและใจในอย่างเดียวที่จะทำให้ตุกข์หนึ่งมีความสุขสบายใจสบายใจและถ้าเรารักความดีหรือคุณในทาความดีของพระองค์ท่าน เราก็ควรจะพึ่งปฏิบัติอย่างพระองค์ท่านเสียสละอดทนอดกลั้นกระทาทุกอย่างเพื่อยังให้ใจของต น, นเป็นสุขแล้วก็ยังให้ใจของผู้อื่เป็นสุขถ้าเป็นของภายนอกอย่างที่กล่าวเราสละทํากันมาอย่างนี้เยอะแยะตั้งใจชั้นมาแนะนําพระธรงปกำมาฐานที่นี่ที่บ้านบ้านนี้เส็จเนี่ยนี่มันก็ประมาณกี่เดือนละสิบสามเดือนยังไงตั้งแต่กันยาปีที่แล้วใช่ไหม มีครบกันญาได้มาเุรจาที่93ครั้ง13ครั้งเนี่ยโดยเฉลีย่ยเงินที่เธอทําบุญมาประมาณเอานะว่าประมาณ3ล้านเศษแล้วเงิน3ล้านเศษที่เธอทํามากันทั้งหมดเนี่ยมันได้ไปทั่วไปหมดเนี่ยในการที่ยังประโยชน์ยังไประยชนเศษเท่าไหร่ไม่รู้เศษ5แสนแลแ้วเศษ6แสนทำไมตามล้วเหล่านั้ น, นทำบัญชีคร่าว เงินทุกบาทุกสตางค์ที่เจอจระมามันไม่ได้ไปกับใครแต่มายังประโยชน์แกศาสนาไปยังประโยชน์เพื่อเป็นศาสนาส่วรวมนั้นน้ําใจที่เจอจระมาในเหตุวันเล็กก็น้อยก็มากก็ตามใครมีมากก็มีใจให้มากก็ก็ยินดีคนมีน้อยมีใจให้น้อยก็ยินดีคนไมน่มีเลยยกมือโนทนาก็ยินดีซึ่จริอว่าไม่ได้มีความยินดีมากยินดีน้อยกับใคร ยินดีในสิที่เธได้ตั้งใจกระทําเพื่อเสียสละเหมือนกันเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิด ข, ขึ้นกับเธอไม่ได้เกิดขึ้นกับใครถูกไหมใครทำใครก็เป็นผู้ได้จริงไห ม, มเราทําด้วยความสุขเราก็ได้ความสุขกลับไปแต่ทํานั้นเราไม่มีสุขเราก็ได้ ม, ไมีความไม่มีความสุขกลับไปนั่สิ่งที่มันจะทำํำเราก็ต้องทำที่เกิดออกจากใจเราเพื่อจะได้วความสุขแท้จริง และจึงสลั่นชัดออกไปด้วยความสุขสลั่นติ่งข อ, ง ด, อ, ดอดงด้วยความสุขสลั่นความอดทนอดจลั้นด้วยความสุขถามว่าเอกคำว่าตลั่นความอดทนอดจลั้นด้วยความสุขมันเป็นยังไงต้องอดทนประคันห้าต้องอดกลั้นกับร่างกายที่เสียแทนถูกไหมเธอจะทําทอะไรเธอต้องอดทนจากสิ่งเหล่านี้กวา่าเธอจะไปทํางานอย่างหนึ่ พาเจะจับเดินเอาของมาอย่างหนึ่งพอเจอต้องจัดการภาระทั้งหลายอย่างหนึ่งนั่นคืต้องแบกขันห้าหมแบกคืต้องอดทนเหมือนที่ต้องอันคีอันเดียวหิวก็ต้องทนร้อนก็ต้องทนเหนื่อยก็ต้องทนไม่อย่างที่ต้อดอกไม้มาเนี้ี่ยไม่เธอตัดเชื่อนชมยินดีอย่างนี้เขามากันตั้งตัดเชี่ยงคนเดียวทําเลยถึงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มทำคนเดียวขื่นๆลองๆหยิบโน่นหยิบนี่เขา หรืก็หิ้วม่ก็เม่ปวดก็ปวดปวดก็ปวดเมื่อยพลมันเขาก็ยิ้มย้มจังใจที่จะทํำอดทนที่จะทําที่ก็เป็นการให้ของเขาไหมก็เป็นการที่เขาได้ให้ความสุขเหมือนกัน๋ึงบอกเราได้เสียสละความอดทนอดกลั้นมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเขาพอๆยิ้มยิ้มเรื่องก็ทําทได้รอยอยิ้มะเขาจะเหนื่อยเขาก็ยิ้มเห็ไนไหมล่ะ ฉันยืนรอชื่ก็เลยไม่เคยถามนี่เราทำสิงนั้นสิ่งนี้ก็ทําเข้าไปคนเองนะนคนคทุกจางรืคนเดียวเธอคิดเจอรถแท็กซี่สองขันคนเดียวไม่ได้ขอร้องให้ใครมานั่นเลยทําคนเดียวจัดการคนเดียวเนี่ยเนี่ยไอของละเละ่าเนี้ขนจะมาข น, าขนาโหงสองคันรถแท็กซี่ เจอคนเดียวขนคนเดียวจ่ายสตังคนเดียวทําอยู่คนเดียวแต่พู <Okay. S 1> ดแล้วว่าความอดทนของเขาที่ได้การทํามันเป็นความสุขที่เขาไม่คิดว่าความอดทนล่นั้นมันเป็นทุกข์จะเป็นการเสียสละเรมานสังขารร่างกายเสียสละทัพที่เขามีเสียสละการเวลาที่เขาจะนั่งเล่นนอนเล่นพักผ่อนให้มันสบายถูกไหม ถ้าเอมาว่ามันเล็กนิดนึงมาตั้งเดิ่มเดิ่มกันเนี่ยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ดยดูภายนอกเป็นของเล็กน้อยมันไม่ดีในค่าอะไรนักหนาแค่เอาตาไปมองแล้วก็ผ่านไปรู้สึกสบายใจไหนยที่เห็นดอกไม้เี้ยเห็นอะไรที่มันดูสบายตาสบายใจถึงเขาจะจัดไปสวยมากแล้วสวยน้อยแล้วยังไงก็ตามเถแต่เราไม่มองสิ่งนี้มันสําคัญมากกว่าน้ําใจที่เขาได้กระทําขึ้นมา ยกตัวอย่างเธอให้ฟังว่าน้ำใจที่เขาตั้งใจกระทาขึ้นมาอยังให้การบูชาที่เขจะบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์บูชาคุณของหลวงพ่อบูชาคุณของออพ่อหลวงนะอย่างเงี้ยพระเจ้าหลวงแล้วก็ยังให้เราทุกคนได้มีความสบายใจ น้ำใจเพยงเท่าเนี้ยมันมีค่าสูงมันเปรียบเป็นเงินเป็นทองไม่ได้ถึงไหมล่ะฉันจึงยกตัวอย่างว่านี่คือคําว่าอดทนอดกลัน้นจะเป็นสุขาการเสียสละสิ่งบางตา่างที่เขาทุกคนนั้ตัองใจ ก, การจะทํามากสดีน้อยสดีมันมีค่าเสมอคนที่ได้คือคนได้ทําคนไม่ได้ทําก็รู้สึกดีโมทนายินดีอย่างฉันไม่ได้ทําอะไรฉันก็ แต่จะยินดีอดีใจที่เขาได้ทําเห็นแล้วก็ยินดีกับเขาจะ่เขาสุขกันไม่ได้สก ด, ด้วยเมวงมนไหม่ะความสุขมันเกิดขึ้นกับเขาแต่ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพราะเราไม่ได้คนคิดไม่ได้คนทําจะเราได้เป็นคนเห็นคนดูแล้วก็ดูไปถึงใจของผู้ทํำดูไปถึงสิ่งที่เขาได้กระทา และก็ได้ยินดีในสิ่งที้เขาได้ตั้งใจกระทําเพื่อบูชาคุณของผู้มีพระคุณที่เราก็มีความรักและเคารพในพร า, นารัชนทร์ใจเหมือนกันจริงไหมแ้ะเขามีโอกาสได้ทําเราก็ได้ยินดีโมทนางนั้นความสุขที่เรามีคือความสุขที่เราได้ยินดีแต่ไม่ได้เป็นความสุขที่เราเป็นคนทํามันเป็นความสุขที่มันอาจจะแตกต่างกันในเรื่ของกําลังใจ พอเขาต้องใช้กำลังใจในการอดทนสดกลั้งแต่เราไม่ได้ไม่ต้องใช้กำลังใจเพราะการอดทนอดกั้นอะไรแล้วแจะไม่ได้อดทนมองไอ้เนีมองดูทําเออมองเห็นในสิ่งที่เขาตั้งใจทําอะไรแล้วก็บอกว่าเขาได้ะทําสิ่งนี้ลงไปยังไงแล้วแคาได้มองดูแล้วคิจารณาดูพอเราเห็นว่าสิ่งที่เขาทํามีประโยชน์เป็นสิ่งที่น่ารัก เห็นไหมนะเราก็เลยชื่นใจเพราะชื่นใจไอ้ความชื่นใจถ้าเกิดจะอะไรผู้ชิตายินดียินดีกับสิ่งที่เขามีความสุขยินดีสิ่งที่เขากําลังได้การทำเพื่อบูชาคนของพระพุทธสัมพัทธะอริยสงฆ์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเราแค่มีความสุขยินดีแค่นั้นเองหากว่าเรามีโอกาสได้ทําเราก็ทําของเราถูกไหมเราก็ทําแล้วก็คนใส่ปก็ทําของเรานั้นรวมตามแล้ว ทรัพย์ก็ดีวัตถุค่าจะดีสิ่งต่างๆแม้ถ้าชีวิตของเราก็ดีได้เสียสละลงไปเพื่อประโยชน์แห่งเตนและก็เพื่อประโยชน์แห่งประสาทชนชื่อว่าการเกิดมาเป็นมนุษยชาติโดท้ายของพวกเจอทุกคนมันมีค่าและก็มีความหมายอย่ามองว่าเป็นของเล็กเล็กน้อยๆอุปสรรค่ะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเกิดมาก็ต้องมีกรรมเป็นของตนถูกไหมมันไม่สามารถจะผลิตคนไปได้แล้ว แม้แต่พระพุทธ อ, องค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้ า, จาแล้วครั้งยังทรงพวนชีพ อ, อยู่ <c oughs> ก็จะมีอุปสรรคขัดทางพระองค์มากมายไปตั้งแต่ทรงได้อุบัติมาเป็นมนุษย์จนถึงวาระสุดท้ายที่ อ, องค์ทรงปรินิพพานแค่จะมีช่วงเวลาน้อยมากที่ อ, องค์จะไม่มีอุปสรรคมาขัดทางพระองค์เดี๋ยวก็สังขารเดี๋ยวก็คนเดี๋ยวก็สักว์เดี๋ยวก็จิง๋งจ่จางมีไหมมี ไหนจะทุกขเวทนาที่พระองค์ทรงป่วยไข้ไม่สบายทรงมีพระชนอป่วยอะนะราตาไทยพูดราชาสัพูดอ ย, ยา่างเมนนะ <laughs> พระชนอ่าเนี้ยนั้นพราานะพุทธจาบางครั้งทรงพระชนชีดอยู่สิ่งใดที่พระองค์ต้องรับกดแห่งกรรมที่พระองค์ทรงมีพรคก็ต้องรับเราเหมือนจะเป็นคนธรรมดา เราก็ต้องรับนั่นฉันเชื่อว่ากรรมมันไม่ได้มีความหมายว่าใครดีประกันใครเลวประกันใครเสมอการถูกไหมตอนให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าฉันชื่อว่ากดของกรรมมันก็ยังมีความหมายกับคนที่เป็นมนุษย์เหมือนกันที่ได้เกิดมีขันห้ามันอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับกฎของกรรมหรือเราจะเปืนกฎของกรรมก็แค่นั้นจะที่พระพุทธเจ้าตรงเห็นแล้ว ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันทําให้เราต้องมีเคราะห์มีกรรมมีความวุ่นวายเป็นทุกข์ยิ่งทรงพบรักทางแห่งความพ้นทุกข์นั่นคือจะมาบอกพวกเราว่าเดินทางนี้จะตั้งใจปฏิบัติแค่นี้จะไอ้การปฏิบฤติันก็ต้องกดคนสูงหน่อยถูกไหมการที่เราจะเดินและว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรไปอีกฝั่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้กําลังใจใช้กำลังปัญญา จะติดปัญญามีเท่าไหาาาร่ต้องใช้เดี๋บารมีทั้งจิตประการก็ต้องใช้ถ้าเราใช้ไม่เต็มแล้วก็ข้ามน้ำไม่คน้นข้ามมันไปไม่คน้นใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอกมาห้าโมงจะครึ่งอ่ะ อ, อ, อ, อ, อ, อะไรจะอะไรอ่ะอะไรบางทีกินเที่ยง อ, อ, อะไรอะไรว่า ที่สุดเพียงการได้แสดงวั ร, รมเเสนานะให้เป็นปัจขาที่กล่าวว่าจิตตมหาจิตตังจิตยงมหาราชาก็ความสวัตติอันเป็นมงคลทั้งหลายที่มหาราชาเจ้าที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ดีเข้าถึงธรรมเช่ในใดก็ตามจะมีความสุขได้เหตุปัจจัยอย่างใดก็ตามกระคอยเธอทั้งหลายจะได้บรรลุธรรมนั้นเข้าถึงธรรมนั้น มีเหตุปัจจัยแห่งความสุขขึ้นใรรยากาศชุบลงทรงได้พบได้มีอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นับตั้งแต่ปัจุ้บันต้นไปทุกท่านทุกคนเองเอหวังก็มีได้ประกาศแลัเช่นนี้านยากทาวาาท่ร า, าริวาฮาภุราปาริพุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตจินังเตตานางังขุปกะปติ อิจิตังสัจจิตังตมหังคิพะเมวัตติมิสตุสัพเพกเรนตุตังจักปาจันโทปนระโทยัคขามะอิโชติระโทยัคขาสจคคีติโยม i วัชันตุสัพพะโรโขมีนัสตุมาเตภวันดงตระโยสุขีที่ขายุโกภวอะิวะ กันติริสานิจังวุฒาปักจายโนจักตารอธรมาวัทสันติอายุพันโนสุขังภลัง